ถามการทําแท้งอาจตัดสินใจทําด้วยเหตุผลต่างๆบางทีก็ไม่ใช่ทําเพื่อแม่แต่เห็นว่าในรายนั้นถ้าเด็กเกิดมาจะพิการหลายท่านก็เห็นว่าควรทําแท้งเสียเป็นการช่วยเด็กไม่ให้ต้องมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานการณีอย่างนี้บางทีตัดสินใจยากจะมีหลักในการพิจารณาอย่างไร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 จะไม่ต้องมีชีวิตที่ทนทุกทรมานไปอีกยาวนาน 2. เพื่อประโยชน์แก่สังคมเด็กจะได้ไม่ต้องเป็นภาระาแก่สังคมที่จะต้องคอยโอบอุ้มหรือเป็นเครื่องทวงสังคมเหตุผลนี้มองดูก็เป็นความจริงที่เห็นได้ชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการมองด้านเดียวจากแง่มุมของเราโดยเอาตัวเราเป็นเกณฑ์วัด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 และไม่อยากให้สังคมมีภาพที่ไม่น่าดูอย่างนั้นเราอยากให้สังคมมีแต่คนที่มีร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เลยเห็นด้วยกับการปฏิบัติของสังคมบางถิ่นในอดีตถ้ามีคนร่างกายไม่ปกติก็เก็บเอาไปกำจัดให้หมดอัตมาเมื่อเป็นเด็กก็เคยนึกชอบใจวิธีการแบบนั้นแต่แล้วเราก็นึกไตรต่อไปอีกว่าคนแก่คนเท่า ก็ไม่สมประกอบและไม่น่าดูเพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บเอาคนแก่คนเฒ่าไปเป็นปุ๋ยเส้ให้หมดด้วยเสร็จแล้วก็นึกไกลต่อไปอีกว่าคนที่รูปร่างไม่สวยไม่งามหน้าตาขีเรก็น่าจะเก็บเอาไปให้หมดเช่นเดียวกันสังคมจะได้มีแต่ภาพที่สวยงามจากนั้นก็นึกไกลต่อไปอีกว่าควรจะต้องคัดเอาไว้เฉพาะคนที่สมบูรณ์แข็งแรงสวยงาม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 ความ พ, พิการที่เกิดขึ้นจากกาเนือที่บกพร่องเหล่านี้ได้ดีขึ้นแต่อันนี้เป็นเพียงข้อที่น่าจะคำนึงถึงในเวลาตัดสินใจไม่ถึงกับเป็นเหตุผลที่ว่ามานี้ไม่ใช่จะให้ถือเป็นหลักแต่เป็นเพียงการเสนอตัวยังแง่มุมอย่างอื่นที่อาจจะคิดไปได้เพื่อให้การมองปัญหาและการแก้ปัญหามีลักษณะกว้างไกลและครอบคลุมยิ่งขึ้น